ไไม่ได้เพราะว่าอิริยาบถใดมันก็ไม่ถนัดเหมือนกับการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี่ทำให้ร่างกายตรงแล้วจิตใจมันก็จะตรงไปตามเพราะฉะนั้น ให้พึงกระทาในใจของตนให้ดีการกระทาอุบายแยบคายในใจหนึ่งสำคัญผู้ที่ฝึกฝนอบอรมตนนั้นไม่ค่อยมีอุบายแยบคายในใจเพราะฉะนั้นยังฝึงกจิตใจให้เป็นไปไม่ได้ อบายแยบคายในใจเช่นอย่างเรานึกว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายไอชีวิตนี่เป็นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านี้มีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นถ้าพี่นาย ไปในแง่นี้แล้วชีวิตนี่สั้นน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่มากเลยถ้าลมหายใจในี้หยุดเมื่อใดก็เป็นอันว่าจบสิ้นลงไปเมื่อนั้นชีวิตนี้ดังนั้นอย่าไปนึ ก, กว่าเราจะมีอายุยืนยาวนานต่อไปเบื้องหน้าเรื่องอนาคตไม่แน่นอนเลย เราต้องกําหนดลงปัจจุบันเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละคือเครื่องหมายของความเป็นอยู่ของชีวิตได้แก่ลมหายใจเข้าออกอันเป็นปัจจุบันนี้เท่านี้เองส่วนที่โล่งมาแล้วมันก็โล่งมาแล้วส่วนที่ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึง ไม่ทราบารมหายใจนี่มันจะไปยุติลงเมื่อใดไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ถ้าบุคคลใดมาเพ่งพี่นาะดูชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วจิตที่เคยคิดพุ่งส่้านมาแต่ก่อนมันก็หดตัวเข้ามันทำให้เกิดความสังเวชสรุดใจ ว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไไว้ใจชีวิตนี้ไม่ได้เอาจะให้ทำยังไงอ่ะก็ทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองให้มันมั่นคงนสิเมื่อจิตนี้นะมารู้ว่าจะพึ่งร่างกายนี้ตลอดไปไม่ได้เช่นนี้แล้วก็ต้องพึ่งตัวเอง อ่ทำยังไงพึ่งตัวเองเพึ่งบุญพึ่งคุณแหละในพุทธศาสนานี่เขาเคยเจ้าทงแสดงเรื่องบุญกับคุณนี่แหละเป็นที่พึ่งสนาธาภิกขเววิหารธถรมานาธาดูก่อนพรกสูท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่มีที่พึ่ง อย่าอยู่ไม่มีที่พึ่งนุขข้างอนาถ ว, วิหารติผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ทางนี้ฉะนั้นมันเป็นความจริงอ่ะเรื่องนี้เนะี่ยก็เราจะพึ่งร่างกายนี้ไปไม่ได้นานเท่าไหรก็จะต้องพัดพากจากกันแล้วในระหว่างกายกับจิตแต่ว่า ร่างกายนั่นน่ะมันแตกทําลายลงมันก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไปตามธาตุทั้งสี่นั่นแหละมันไม่ได้ไปเกิดที่ไหนมันไม่ได้วกเวียนไปไหนมันก็เป็นธาตุดินอยู่พื้นพื้นดินนี่เองส่วนดวงกิดนี่ซิมสาคัญะ่ะออดวงกิดนี่เมื่อ ย, ยังไม่สิ้นกิเลสกิเลสนั่นแหละ เป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั่นน่ะนำดวงจิตนี้ให้ไล่ยลอนไปหาที่เกิดใหม่สุดแล้วแต่ทำกรรมอันใดมากกว่าในระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วกรรมดีมันก็ให้ผลไปก่อนเนำจิตปิญญาณไปเกิดที่สุขสบาย ไอ้คำชั่วนั้นมันก็ไม่หายมันติดสอยห้อยตามไปคอยหาโอกาสเมื่อกรคำดีหมดอายุลงเมื่อใดกรคำชั่วมันก็ให้ผลเมื่อนั้น <c oughs> ส่วนกรคำชั่วก็เหมือนกันเมื่อบุคคลใดทําำคำชั่วมากกว่ากรคำดีกรคำชั่วมันก็มีสิทธิให้ผลก่อน นำดวงกิจนี่ไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลบาบากที่ท่านเรียกว่าอภัยภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้อนอ น, น, นั่นเป็นสถานที่บุคคลผู้ทากรรมชั่วใส่ตัวในโลกนี้เมื่อละโลกนี้จะต้องไปเกิดในภูมิสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งตามกำลังของบาปกรรมที่ผู้นั้นทา ทางไปของมนุษย์ผู้ยังไม่สิ้นกิเลสก็มีอยู่สามทางคือไปนรกหนึ่งสำหรับผู้ทาชั่วไปสวรรค์สำหรับผู้ทาดีท่านเรียก ว, ว่ากุศลกา ม, มาวจรไปพรหมโลกสำหรับผู้ที่บำเพ็ญฌานผู้ได้บรรลุฌานสมาบัติ นั่นท่านเรียกว่ารูปราวจรกุศลหรืออรูปราวจรกุศลผู้บำเพ็ญฌานจนบรรลุอรูปฌานก็ได้บังเกิดในอรูปป ร, รมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปอายุยืนมากหลายกับหลายกันนี่ท่านเรียกว่าทุคติภูมิ ภูมเป็นที่ไปของคนผู้มีบุญนี่แหละไอ้บุคคลผู้ยังไม่สิ้นกิเลสยังละกิเลสไปหมดจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในภูมิทั้งสามนี่เองนะกามมาภูมินี่รวมทั้งทุกติภูมิด้วยเรีวยกว่ากา ม, มาภูมิ ภูมิเป็นที่ไปของบุคคลผู้ยินดีอยู่ในกามได้แก่สวรรค์หกชั้นรวมทั้งมนุษย์ด้วยและสัตว์อบายภูมิทั้งสี่ด้วยมันสับสนกันไปยวงเนี้ยเรื่องกามนะบ้านี้ขึ้นไปสู่โรูปภาวนกุศลแล้วอันนั้นบาปไม่มีมีแต่บุญล้วน ไปสู่อรูปปวจรูปสนก็เหมือนกันก็มีแต่บุญร่วนรุน่นตามตกแต่งให้ดังนั้นการมมาวจรภูมิในจึงว่าก่วงใหญ่ไพศาลกิริยาของจิตที่ยังผูก พ, พันอยู่กับกรมคุณนี่ มันเปลี่ยนแปลงไปโดยรวดเร็วมากทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีไม่มีสมาธิจิตอืมเป็นเครื่องยับยัง้งเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็คิดรักเดี๋ยวก็คิดชังเดี๋ยวก็คิดโลภอยากได้อะไรต้องอะไรไม่มีที่สุดอย่างนี้แหละ เดี๋ยวก็คิดหลงคิดเมาไปตามกระแสของโลกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าราที่ไหนไปที่นั่นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นขับปร้องที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดทึงที่ไหนไปที่นั่น นี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เมาผู้หลงโลกหลงทรงสารโดยสำคัญว่าเป็นเรื่องสนุกสนานดีผู้บวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้มันนึกถึงความสนุกในโลกนั่นมาแล้วนั่นแหละมันขาดปัญญาความใคร่ครวนว่าความสนุกเช่นนั้นอ่ะมัน มีเหตุมีผลอย่างไรมันเป็นทางให้เกิดความสุขยั่งยืนหรือว่าสุขชั่วคราวมันไม่ได้คิดไม่ได้กลองเลยคนผู้หลงผู้เมาผู้ไม่เมาเขายัางคิดเมื่อคิดมันก็มองเห็นได้ว่าความสนุกสนานเช่นนั้นน่ะมันเป็นความสนุกชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องปิดกั้นไม่คนลก ทำคุณงามความดีได้ไม่ได้ทำได้อะไรก็เมาตั้งแต่เพลินไปตามโมาโหรสพคบกันต่างๆนั่นนะหาเงินได้มาแล้วอา้าวจ่ายไปเที่ยวร้องฟังหมอรำหมอร้องไปดูภาพพยนตร์กลไกลต่างๆไป เ, เงินชวนจะหมดเอาหาไม่หาเงินได้แล้วเที่ยว คนสมัยปัจจุบันชอบจะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะฉะนัน้นถึงตั้งตัวไม่ได้เป็นคนเลื่อนลอยไอ้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยควรพิจารณาเพราะว่าเป็นนักบวชนี่เป็นผู้มีปัญญาหลีกจากความวุ่นวายต่างๆภายนอกได้แล้วมีจิตใจแน่วแน่อยู่ภายใน เมื่อมีจิตใจแน่วแน่อยู่ในพิจรารณามันก็เห็นได้ความเป็นไปของโลกนี้นะเขาอยู่กันยังไงอะ่ะในความเป็นอยู่ของคนในโลกนี้ส่วนมากมันก็เรียก ว, ว่ามันอยู่ด้วยอานาจของกิเลสอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความชังอยู่ด้วยความหลงความเมาหรืออยู่ด้วยความโลภความโกรธเหล่านี้แหละ จิตใจนั้นผูกพันอยู่กับกิเลสเหล่านี้เพราะเหตุนั้นมันจึงได้แสวงหาทรัพย์สมบัติไม่หยุดไม่ยั้งเลยได้เท่าไร่ก็ไม่พอ อ, อยากอวดเพื่อนอยากให้ชาวโลกเขายกย่องว่าตนนั้นเก่งหาเงินเก่งมีสติปัญญาดีั้นเมื่อมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจามากๆเข้าไปแล้ว เขาก็ใช้อํานาจเงินขูดรีดเอากับคนจนเข้าไปแล้ววันนี้ข่มขูเขาซื้อที่ดงที่ดินเขาไม่ขายก็ใช้อํานาจบางสิ่งบางอย่างข่มขูเอาเขากลัวตายก็เลยยอมขายเขามีในโลกมนุษย์เรานี่นะมันมีแต่การเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้ แังนั้นผู้เป็นนักบวชเนี่ยควรพากันพิจารณาเราชอบอย่างนั้นหรือไม่มการเบียดเบียนกันเช่นนั้นการก่อทุกข์ให้แก่กันและกันเราชอบไห ม, มถ้าบอกว่าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อย่าไปกระโดดไปหามันถ้าออกไปหามันแล้วแน่นอนแหละมันโลกนี้มันดูดเข้าไปเลย บางยับจังใจไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่ากระโดดเข้าไปหาวงล้อมของนักรักสนุกทุกสนัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ทำตามเขาจะได้ยังไงอ่ะนีะ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ ถ้าพูดโดยรวบรัดตัดตอนแล้วก็เดี๋ยวสอนให้คนเราเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นการให้ทานอย่างนี้นะก็คล้ายๆกับพระองค์สอนว่าไอ้โลกนี้นะไม่น่าอยู่มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกัน ดังนั้นผู้มีปัญญาอย่าไปหวงแหนบุญกุศลอํานวยผลให้ร่ํารวยเงินทองขึ้นมาแล้วให้พึ่งยินดีในการบริจาคทานแก่ท่านผู้มีพระคุณบ้างบริจาคทานแก่บุคคลผู้ยากจนกนแคลพึ่งตัวเองไม่ได้บ้างก็อย่างนี้แล้วทรัพย์ดันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นแล้วก็ มันไม่ค่จะเป็นภัยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าอาเสียได้ยินดีในการบริจาคทานจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปอย่างนี้โกรธโจรขโมยเขาก็ไม่ค่อยเบียดเบี ย, เ น, ย น, นเนี่ยนั่นแหละโจรขโมยเบียดเบียนแต่คนตะนนี่ทีเนียวคนโลภมากไปขูดลีดเอากับคนจนอย่างที่ว่ามาเรียบโมนั้นน่ะ คนจนมันก็มีหัวใจเหมือนกันถูกยพยาบาดอาฆาตจองเวรได้ช่องได้โอกาสมันก็ทำลายล้างผ่านชีวิตกันให้ย่อยยับไปอย่างนี้มีอยู่ทัมไปมันก็เกิดจากความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุเนี่ยความโกรธความไม่ให้อภัยแกใครโกรธใครมาแล้วก็จ้างมือปืนไปเก็บมันไปเมื่อข่าวนี้มันกระพือไป ไอ้บรรดาพวกนั้นทั้งหลายคนใจดําทั้งหลายมันก็ผูกอาคาดอย่างว่านั่นเนี่ยได้ช่องได้โอกาสมันก็ตอบแทนแก้แค้นกันไปโลกอันเนี้ยเป็นเวนผูกพันกันไปนี่แหละกรรมมกุณเนี่ยในพากันพิจารณาจิตที่ไปผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจในโลกเนี้ย มันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงควอมุ่นวายการยื้อแย่งกันนี่ใครดีกว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดมาแล้วถ้าไม่ตกเป็นาธาตุของกรมคุณอย่างนั้นแล้วส่วนมากทำชีวิตให้เป็นหมือนถึงไม่ตายมันก็ทำบุญกุศลไม่ได้ เพราะว่าใจมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลส ก, กรามวัถฏกรรมนั้นมากมายแล้วต้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วกิเลสมันไม่ต้องการให้คนเราหนีจากทุกข์ในโลกนี้มันต้องการอย่างให้จิตวิญญาณของคนเนี่ยล่องลอยเกิดแก่เจ็บตายอยู่สวยสุขสวยทุกข์อยู่ในสงสารอันนี้นี่เป็นลักษณะของกิเลสนะ ลักษณะของธรรมะบ้านี่ไอ้ธรรมะนะมันเป็นเครื่องหนุนจิตใจของคนเราให้ถอนตนออกจากโลกนี้ก็เช่นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายปล่อยโลกวางโลกอันนี้แหละเราเสียสละของรักของชอบใจออกไปมันก็ค่อยวางโลกอันนี้ไปนะจิตใจ ไม่ค่อยจะไปผูกพันอะไรแต่สมบัติที่ตนมีอยู่ตนยังให้น้องแบ่งสรรพันส่วนให้ทานได้เรื่องอะไรที่จะไปหวงแหนเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเท่าพี่นาะให้ลึกซึ้งลงไปแล้วนะมันเป็นอุวายถอนตนออกจากความมุ่งวุ่นวายในโลกนี้ การรักษาศีลการเจริญเมตตาการุณาอยู่เสมอเสมออย่างนี้มันก็เป็นอุบายระงับความโกรธอืมเมื่อความโกรธมันครอบงําจิตใจได้แน่นอนนะเมื่อบุคคลมั่นในศีนลเรื่องนี้จะไปทุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นและจัดอื่นมันทําไม่ได้ถ้าทําลงไปศีลก็ขาดอย่างนี้ แต่คนส่วนมากนะ่ะมันความเคารพนับถือในศีลไม่เพียงพออืมมีแต่เวลาสมทานมาแล้วใหม่ๆนั่นพอสำรอกสุมสำรวมระวังอยู่บ้างฮนะท่านไปๆแล้วมันมีเหตุมันมีเหตุอันใดอันหนึ่งมากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วก็ยับยัง้งใจไม่ไหวแล้ว ก็ลงมือเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปนี่นหละบุคคลผู้ที่ไม่เคารพในศีลอย่างมั่นคงแล้วไม่มีธรรมะคือเมตตากรุณาเป็นเครื่องประกอบด้วยอย่างนี้นะมันก็ทำให้ตัวเองก็พลอยถล่มเข้าไปสู่กรรมสู่เวร อันนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้มั่นในศีลผู้เจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนก็ไปแล้วอย่างนี้มันก็ห่างไกลจากการเบียดเบียนชีวิตจิตใจนี่ก็ค่อยถอนตัวออกจากความเบียดเบียนอันนี้ห่างไกลจากรำจากเวรไปถ้าได้ภาวนาเข้าไปอย่างนี้นะ มันก็ยิ่งขจัดความหลงความไม่รู้ให้เบาบางอภิจักกิจใจเลยๆความหลงความเมาโดยมองเห็นว่าโลกนี้สนุกสนานน่าอยู่น่าอาศัยโดยเฉพาะธาตุสี่ขันห้าอันนี้แหละมันหลงสงคัญเอาเป็นตัวตนของเราแล้วมันก็ถือมั่นไว้อย่างนั้นแหละ ถ้าร่างกายมันปกติดีโรคภัยไม่เบียดเบียนมันก็เพลินก็เมาไปเต้นสามตอกออกต้องมาร้องรำทำเพลงต่างๆนานานะออทำเหมือนกับคล้ายๆว่าตนนั้นจะไม่ตายสักทีนนนความสนุกสนานกนะันเมื่อไปไปแล้วโรคภัยเบียดเบียน ร่างกายอันนี้สุดโทมลงเสียใจแล้ววันนี้เศร้าโศกโอไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าอย่างนี้ไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ อ, อ้าก็ถูกแล้วตัวตัวเองไม่นึกสักทีไม่ภาวนาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่เคยนึกคิดอ่ะขั้นพรมภัยพิบัติมาถึงเข้า ก็ตกใจลเลยวันนี้สะดุง้งโอ๊ยไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อคนส่วนมากนะเกี่ยว่ามันหลงเสียใจดีใจอยู่กับขันห้าอันนี้เมื่อขันห้านี่มีบาดก็เสียใจเศร้าโศกเมื่อขันห้านี่เป็นปกติดีก็เพิดเพลินยินดีมัวเมาไปนึวกว่าตนจะไม่เจ็บไม่ตายง่าย ก็มันหลงอยู่อย่างนี้แหละผู้นี้ผู้ใดมาภาวนาทำใจให้สงบประงับลงไปลรวมองดูร่างกายสังขารขันทั้งห้านี่มองดูยังไงก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่สภาพที่เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเห็นแต่สภาพที่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง เราจะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายจะบังคับได้หรือนนนะเนราะพระพุทธเจ้าสอนให้บังคับใจตัวเองไม่ให้ไปบังคับกายเพราะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของใครไอ้จิตนี่นะบังคับจิตเองนี่มันทำได้นี่อย่ารักนะอย่างนี้มันก็ไม่รัก ถ้าตัวเองห้ามตัวเองแล้วอยากเกลียดนะอย่าชังใครนะมันก็ไม่เกลียดไม่ชังถ้าตนมันห้ามตนบ่อยๆเตือนตอนบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันเป็นไปได้อะแต่คนส่วนมากมันไม่ห้ามใจตัวเองสิสุดแล้วถ้ากีเลสมันปั่นมายัางไงก็ไปตามมันเลยมันปั่นให้เกลียดให้ชังให้กโกรธคนโู้นคนนี้ก็โกรธก็ชัง มันปั่นให้รักคนโน้นคนนี้ก็รักก็ใคร่ไปตามมันมันปั่นให้หลงให้เมาเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปก็ไปตามกิเลตนหนึ่งลักษณะของจิตใจที่มันไม่ได้ภาวนาสมาธิความหลงเขา้าครอบงำแล้วมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกนี่ เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ตกจากเรือลงสู่คลื่นในทะเลสุดแล้วแต่คลนมันจะซัดไปไหนอะตนไม่มีกําลังพออที่จะแวกว่ายเข้าสู่ฝั่งได้คลื่นมันก็ซัดไปเรลยไปอย่างนั้นเนี่ยวนไปวนมาอยู่ยงั้นเนียหมดกําลังแล้วก็ตายถ้าไม่มีคนช่วยเหลืออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย คนเราถ้าหากว่าลำพังตัวเองนะ่ะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ถูกกิเลสตัณหามันปั่นให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสนุกสนานชั่วคล้าวบ้างก็เพลินไ ป, อ, ป อ, อย่างนั้นนลยแล้วโอกาสที่จะได้ละความชั่วทำความดี ไม่ค่อยมีแล้ววันนี้มีแต่เพลินไปเพลินมานอน ห, นอหมดบุญหมดกรรมเก่าลงมาก็ตายเนี่ตายแล้วตนไม่ได้ทำบุญกุศลความดีไว้มากนี่ทำกันนิดๆหน่อยๆทำตามเพื่อนตามผงไปทําไห้ทำก็เพื่อนจะนินทาว่าร้ายเอาเมื่อตนไม่ได้ทำบุญไว้มากตนทำบาปไว้มากบาปมันก็นาดวงขีดวิญญาณ ไปสู่นรกอบายภูมิมันก็เป็นอย่างนี้นะบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่เคารพต่อข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ให้มีอยู่แต่ในตำราเฉ ย, ยๆไม่เอามาลงมือปฏิบัติตามความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาท เมื่อเราพิจารณาทีทวนแล้วล้วนแต่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทําทั้งนั้นเลยไม่ได้ทรงสอนให้เรียนแล้วจําเอาไวเ้เฉยๆไม่ไม่อย่างนั้นนะให้ลงมือกระทําทั้งนั้นแหละเช่นรักษาศีลอย่างนี้นะก็ลงมือกระทําและมีสติสมบัติชัญญะ คอยระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอๆไปอย่าให้มันหลงพลาดล่วงสิบขาบทที่ตนสมทานมาแล้วคำว่าไม่รักษาศีลก็คือไม่ลงมือกระทำอย่างนี้แหละการภาวนาการภาวนาก็เหมือนกัน ผู้คนไม่ภาวนาก็หมายความว่าไม่รักษาจิตตัวเองนั่นแหละปล่ยอยให้จิตมันเลื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสโดยส่วนเดียวผู้ภาวนาหมายถึงผู้มีสติธรรมะชัญญารักษาจิตของตนทุกยียบทไปเลย คอยเพ่งประคองจิตที่มันเป็นปกติอยู่แล้วให้เป็นปกติเรื่อยไปปกติรู้ปกติเห็นเห็นตุวเสี้ยวหนึอย่างเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลย มีเราว่าประคองจิตให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงของสังขารท้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วแปลปวนดับไปทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไ ม, มไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุด มันมีลักษณะสามเหล่านี้ประจำอยู่ทุกอย่างแต่บรรดาสิ่งที่เกิดในโลกนี้ดังนั้นเมื่อภาวนาควบคุมจิตใจได้แล้วมันก็มองเห็นสภาพความจริงของสิ่งที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปจนถึงนอกร่างกาย ภาวะเหมือนกันหมดเลยดังนั้นแหละเมื่อปัญญาสอดส่องพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมัดนี้ก็ปรงก็วางลงไปเนี่ยท่านเรียวกว่าอุบายแยบคายการภาวนานี่มันต้องมีอุบายแยบคายปัญญาปริภาวิตตังกิตตัง สัมมาเดวะอสวยเยหิวิมุตติเม <Me i, S 1> ื่อปัญญาสอนจิตอบรมจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากกา ม, มาสวะอาสวะคือกามพ้นจากภาวะสวาอสวะคือภพพ้นจากอวิชชาสวอาอวิภาวะคืออวิชชานี่ย่อม ยอมพ้นจากอาธวะทั้งสามประการนี้เนือเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้มีอุบายแยบคายในใจ